ผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าใหญ่ใหญ่ขนาดคน รวมถึงโรงทําด้วยนี่ประมาณสัก 24 ต้นอ่าเป็นที่น่าส่วน วันละใหม่ๆก็อยู่ได้น้อยรูปเพราะว่ากลัวผีครับพระอาจารย์ น้ำจะไหลจากภิชเหนือของวัดลง ขอนนี้ก็กลับลอยขึ้นมาสงบนิ่งอยู่หน้าบดในตอนกลางวันโดยไม่ไหลไปตามกระแสก็ให้ฉายาว่าขอนตะเคียนผีหรือว่าเรือผีตะเคียนไม่ เหมือนกับไม่มีเลือดอยู่ในตัวเลยชาวบ้าน เสียงน้ำที่หน้าวัดก็ไหลซ่าซ่าแล้วอ่าเสียงดัง พอขึ้นไปบนกุฏิวัดก็เห็นพระเนนอยู่กันพร้อมหน้าทั้งหมดที่มาก็เข้าไปกราบหลวงปู่ศรีชาวบ้านครับได้ยินเสียง พระนี่และชาวบ้านก็ติดตามไปพอถึงหน้าโบสถ์ริมฝั่งห้วยสิ่งที่อ่าทุกคนมาได้รู้ได้ ดังติดกัน 3-4 ครั้งทุกคนก็อุตส่าห์ว่าขอๆหลวงปู่ศรีก็อ่ะปู่ฮะปู่มัน ทุกคนนิ่งเลยยินชัดเจนนิ่งเลยต่างคนต่างนิ่งจ้องดูคลอนตะเกียณไม่กระพริบตาๆสงบนิ่งและมันก็ลอยตัวในกระแสน้ํา อ้าวใครอยากรู้ว่านาตาเกียนมันจะไป ไอ้ขอนตะเกียนกลับมาแล้วขอนตะเกียนกลับมาแล้วทุกคนก็วิ่งกลูลงมา hey, ก็นำความประสงค์นี้ไปเล่าให้หลวงปู่ศรีฟังหลวงปู่ พอตกค่ําที่ศรมีอาการชักตาตั้งโดยไม่รู้สาเหตุเสร็จ พูดบอกมาเท่าไหร่ตัวการแกรู้หรือเปล่าแกทําอะไรลงบอกอีอีนางตะเกียนนี่แกจะกําแหงมากไว้หน่อย ไอ้จ่อยกับพวกก็เหมือนกันที่มันเอากล้าเอาโซ่ไปผูกเรือข้ารวมทั้งทุกๆปีเอ่อก็แน่ล่ะหลวง พวกแกนมันรวมหัวกันเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนพวกแกมันพูดแล้ว ร่างที่จ่อยกระตุก 3-4 ทีก็ได้สติญาติพี่น้องช่วยพยาบาลมีการ เสร็จแล้วท่านก็ก้าวลงบันไดมุ่งไปสู่ขาดเสาจริงๆทุกคนตาไม่ฝาดน่ะไปหมุนคว้างอยู่กลาง คืนนั้นผีนางตะเคียนก็ปรากฏกายที่ๆฝั่งหลวงปู่ก็เอาน้ํามน ยื่นบริกรรมสักพักแล้วก็กลับท่ามกลางเสียง ในคืนหนึ่งผีนางตะเกียนก็มาเข้าฝันหลวงปู่บอกว่านางมาขอลาไปสู่ที่แห่งใหม่จะไม่รบกวนใครอีกสิ่งได้ล่วงเกินขอกราบอภัยในแต่ละปีหากถึงฤดูกาลน้ำมากให้จัดทำเรือไฟนี่ล่องไปให้ด้วยแล้วนางก็ก้มกราบหลวงปู่ก่อนที่จะจากไปนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครจมน้ำตายอีกไม่มีเหตุการณ์ดังแต่ก่อนขอนตะเกียนต้นนั้นก็เป็นขอนตะเกียนธรรมดาขี้เล่นได้ เสาตะเกียนที่เคยตกน้ํามันทุกวันพระ 2527 ยังคงเหลือซากอยู่พอมาปี 2533 ไม่ ทำไมอยู่ทู้บอกเจ้าที่ก่อนมรณภาพ 80 ปีส่วนบุคคลที่เอ่ยชื่อมาครับก็ตาย ท่านผู้ฟังๆอย่างนี้อย่าไปเล่นเลยครับผมขอร้องเถอะอย่าไปเล่นแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องเนี้ยเป็นดี Eastern Rubber ที่ปิด แกทํางานอยู่ที่นั่นแล้วก็แม่แกบวชชีอยู่วัด ของคุณวิรัตน์เนี่ยก็บอกว่ายายยายก็คือแม่ของแม่ 5 คนก็อาศัยอยู่ที่ๆเลยลุงน่ะบอกว่า มันอาคาดในปีที่ยายตายปีอ่าแล้วก็ตายน้อง ซึ่งลุงก็ต้องมาคอยไล่ผีลุงนี่ๆกลัวๆ ทําหารอาหารเวลาผ่านไปสักพักพ่อก็เริ่มๆคุณวิรัตน์ก็เข้าไปหาพ่อพ่อก็ไม่มองหน้าแต่กระสับกระส่าย เวลานั้นพ่อยิ่งชักหนักขึ้นตัวเกร็งไปหมดทั้งแขนทั้งขาแล้ว ลุงมองอาการแล้วเข้าใจดีก็ถามว่าแกเป็นใครอ่ะแกมาทําไมแกต้องการอะไรผีที่มันเข้าสิงร่างพ่อ แต่แล้วลุงก็พูดอะไรกับพ่อสักพักก็คุย ปัจจุบันนี้ส่วนพ่อก็เสียแล้วเหมือนกันเสียชีวิตไปแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งส่วนพ่อ บวชเนนอยู่จนได้พรรษา 2 แล้วแม่ก็ล้มป่วยไม่ค่อยสบายอีกแต่แม่ก็พอทนได้นะคุณวิรัตอยู่ทั้งวัดก็ไม่ค่อยจะได้ไปมาหาสู่เพราะมันไกลนานๆบางทีปีนึง แต่แม่ก็ยังอยู่จนเริ่มมืดปัดไม่อยากบวชแม่บอกว่า เหมือนเหมือนกับมีผีจะมารังแกแม่แต่แม่มีพระเครื่องที่ได้จากยายผีมันก็เลยทําอะไรไม่แล้วเริ่มรู้สึกๆพูด ก็รู้สึกตกใจว่ามันอะไรกันรู้สึกตกใจใหญ่ๆ4 คนยกแคร่หาแม่ไป 4 คนน่ะน่ากลัวจนแม่แทบกระดิกตัวไม่ ข้างหน้าก็มีเปลวไฟแผ่ไปทั่วไอร้อนเนี่ยยังร้อนมาถึงเป็นร้อยมียักษ์ตัวดําๆคอยจับคนโยนลงไปเสียงร้องเสียงกรีดนี่ดังลั่นไปหมดนะแม่ก็รู้เลย เสร็จแล้วตอนนั้นก็เห็นประกายเป็นสีทองคล้ายๆผ้าเหลืองนี่กลางกั้นเปลวไฟเอาไว้ แม่ก็รู้สึกหวิวๆคล้ายๆจะหมดสติรู้สึกตัวอีกทีมือแม่ก็คว้าจับเหล็กอะไรไว้ก็ไม่ๆแม่ๆว่าแม่ๆ ตอนนั้นเนนวิรัตน์บอกว่าขนลูกขนชันแล้วเนนก็พูดปลอบโยม ก่อนกลับวัดก็ยังรบกายกเรื่องที่ 20 ทางผลบุญครับนั่นเป็นเรื่อง